3้อสัมสมาสมาธินี้รู้ได้เฉพาะบัณดิตทท้ผู้บรรลุผลจริงเป็นสมาธิที่ไม่อาจจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบกายวาจาใจที่เป็นองค์รวมของภายนอกด้วยภายในด้วยแล้วกรรมจัดกิเลสขั้นที่สัมผัสสัมพันธ์ อยู่กับภายนอกที่เป็นโอราลิกาอตาเป็นขั้นต้นก่อนโดยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเชื่อมต่อเข้าไปเป็นมโนโมยอัตาซึ่งจากภายนอกเนื่องเข้าไปภายในสำเร็จด้วยจิตรู้ครบทั้งรูปเห็นรูปอยู่ภายในกิเลสก็ลดไปลดไป ซึ่งกิเลสหรือตัวตนของกิเลสก็จะจางคลายลงจางคลายลงไปสู่อรูประาตาไม่มีรูปเป็นที่สุดอย่างมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายเป็นลำดับมีความจริงตามความเป็นจริงไปตลอดทุกขั้นตอนอย่างเห็นเห็นรู้รู้ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่สุดชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ109เพราะมันเป็นลำดับของจิตเจตสิกรูปนิพพานอันเป็นภาวะรูปนามที่มีความลึกซึ้งคัมพีรา ที่เห็นตามได้ยากทุธสาที่รู้ตามได้ยากธุระนุโภธาเพราะเป็นความสงบของจิตชนิดพิเศษที่สงบหยุดหรือดับไปเพราะอากุศลจิตเท่านั้นส่วนจิตที่สะอาดนั้นยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งยอดสันตาซึ่งสุ ข, ขุมเกินคาดคิดเอาปณนีตา จึงเป็นภาวะที่เดาเอาหรือรู้ด้วยแค่ตักกะไม่ได้อาตักกวจราเพราะละเอียดลึกสุดขั้นนิพพานนิปุณารู้ความจริงนี้ได้เฉพาะบัณฑิตแท้บัณฑิตเวทนียาพระพุทธเจ้าตรัสย้ำยืนยันความลึกซึ้งคำพีรานี้ไว้ ตลอดในบทสรุปแต่ละช่วงและตอนของพรหมชาละสูตรนี้ข้อ26 30 34 38 42 44 46 47 48 49 50เป็นต้นบัณฑิตแท้หรือบัณฑิตจริงนั้นคือผู้บรรลุมักผลของพุทธธรรม ที่เป็นสัมมาสมาธิได้จริงๆมิใช่บัณฑิตแค่ได้รับใบปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยในยุคนี้สมัยนี้เท่านั้น